สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิสยพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่268เรื่องคำพฏิษฐานของพระเยซูตอนที่43โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพุทธหลายในการวันนี้พี่น้องครับเรามีความจำเป็นในแต่ละวันนะครับเป็นประจำ แน่นอนครับพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เรานั้นให้เป็นเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรซึ่งเป็นร่างกายนี้อย่างต่อเนื่องเป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดไปแล้วว่าพระเจ้าจะดูแลสวัสดิการต่างๆในชีวิตของเราเมื่อเราเป็นประชากรของพรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าย่อมมีแผนการและก็แผนของสวัสดิการกับชีวิตของเราทุกคนเสมอพี่น้องครับเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวไม่จําเป็นต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้เดินเครื่องทุกครั้งไปมันไม่ต้องการอะไรแต่เราไม่ได้เป็นเครื่องจักรนะครับพี่น้องเราเป็นมนุษย์เรามีร่างกายเรามีเนื้อหนังเรามีเลือด เลือดและเนื้อพี่น้องครับเราจําเป็นครับที่จะต้องให้พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทาให้ร่างกายของเราอยู่รอดปลอดภัยพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ที่พึ่งตนเองได้ทั้งหมดเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็น interdependent นะครับ interdependent มนุษย์นั้นเป็น relational ก็คือเราต้องพึ่งตัวเองและพึ่งพระเจ้าพึ่งคนอื่น โดยความสัมพันธ์ของเรานั้นพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความสัมพันธ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ที่จําเป็นต้องหายใจพระเจ้าสร้างมนุษย์ที่ต้องการอาหารเพื่อให้พลังงานที่อยู่อาศัยเชื่อภาพเพื่อให้ความอบอุ่นพระเจ้าสร้างมนุษย์ต้องการความรักเพื่อความสมบูรณ์ภูนสุขพี่น้องครับ ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมถ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักก็จะนำมาซึ่งความสุขกายสบายใจเพื่น้งคับเราต้องรักกันมากๆเพื่อที่เราจะมีความสุขกายสบายใจนั่นคืออาหารประจำวันที่พระเจ้าประ จ, ระจประทานให้กับเราเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความจาเป็นเราจาเป็นต้องมีอาหารครับเราจำเป็นต้องมีสิ่งจำเป็นที่ตอบสนองกายภาพของเราและเมื่อ เราหลงไปจากพระองค์สิ่งที่เราขาดไปก็คืออาหารความจําเป็นฝ่ายร่างกายก็จะไม่ครบถ้วนความจําเป็นนี้ทําให้เรากลับมาหาพระเจ้าครับแต่ความจําเป็นนี้ทําให้คนคนหนึ่งได้กลับใจครับหลายๆครั้งเราอาจจะเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายครับหลครั้งเราอาจจะหิหวโหยแต่เมื่อเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าแล้วเรากลับใจพระเจ้าก็าจะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ พี่น้องครับเป้าหมายหลักของมนุษย์คืออะไรหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์ตอบอย่างนี้ครับเป้าหมายหลักของมนุษย์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมพระองค์ตลอดไปชีวิตของเรานั้นจําเป็นต้องแสวงหาอาหารและเครื่องนึ่งห่มถ้าเราไม่มีความจําเป็นในเรื่องเหล่านี้เราก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำจำศีลเหมือนกับหมีขั้วโลกแต่มนุษย์ ที่จำศีลในถ้าจะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับมนุษย์ที่เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ได้ออกสังคมไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบุคคลเขาจะไม่พบเป้าหมายชีวิตตามที่พระเจ้าได้วางไว้เพราะอะไรครับเพราะเป้าหมายหลักของมนุษย์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางใครครับผ่านทางชีวิตของเราที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับชื่นชมพระองค์ได้อย่งไรครับ ก็คือไม่เพียงแต่เราชื่นชมเราต้องให้คนอื่นชื่นชมพระเจ้าของเราด้วยพี่น้องครับพื้นฐานชีวิตของมนุษย์ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมคําตอบก็คือเราอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าซึ่งเราทำได้หลายวิธีครับวิธีหนึ่งก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้มีสุขภาพที่ดีจัดเตรียมตัวเองนะครับให้พร้อมในการรับใช้พระเจ้านี่แหละครับ คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้านั้นทําให้เรามีความจําเป็นในการพึ่งพาพระองค์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายพระเจ้าทําให้เรามีความจําเป็นในการที่จะพึ่งพระองค์สําหรับการจัดเตรียมต่างๆพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานนะครับในการกินอาหารไม่นอกจากเราขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับเรายัางต้องอธิษฐานะขอพระเจ้าให้เรากินอาหารที่ดีให้เรากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องครับ ถ้าเราไม่ยังเป็นต้องมีอาหารเราก็ไม่ทํางานใช่ไหมครับในการทํางานหนักในการเสียหยาดเหงือ่อเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมีอาหารเมื่อเรามีอาหารเรามีสิ่งที่จําเป็นเพียงพอสำหรับร่างกายเราแล้วร่างกายและชีวิตของเรานั้นก็จะพบกับความหมายและสามารถมีเวลาในการแสวงหาความสุขมีเวลาในการแสวงหาพระเจ้ามีเวลาในการทําสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้า พี่น้องครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องมีอาหารคนส่วนใหญ่ก็จะขี้เกียจและอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเราไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับด้วยการไม่ทําอะไรเราจะไม่มีทางที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการไม่ทําอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเลี้ยงตัวเองครับพี่น้องนะครับเครชจักต้องเลี้ยงตัวเองชีวิตคริสเตียนต้องเลี้ยงตัวเองอาจารย์เปาโล ท่านเย็บเต็นเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองเพื่อที่จะไม่เป็นภาระกับพี่น้องคนอื่นๆพี่น้องครับถ้าเราไม่ยังเป็นต้องมีอาหารเราก็จะไม่คิดค้นวิธีใหม่ๆในการหาอาหารเราจะไม่คิดค้นวิธีใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆขึ้นมาเราก็จะไม่ประดิษฐ์วิธีที่ง่ายขึ้นในการทำสิ่งต่างๆเราจะไม่ใช้ความเฉลียวฉลาดที่พระเจ้าประทานให้กับเราคิดคน้นวิธีการนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะเหตุที่ว่าเรามีความจําเป็นเรื่องของอาหารเรามีความจําเป็นเรื่องของยารักษาโรคหมอจึงคิดวิธีการผ่าตัดใหม่ๆหมอจึงคิดวิธีการรักษาใหม่ๆหมอจึงคิดยาใหม่ๆครับเราเพราะเรามีความจําเป็นเหล่านี้ครับและพระเจ้าก็จะประทานให้หมอเหล่านี้ให้คนที่จําเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดก้นต่างๆนั้นเขาใช้สติปัญญาของเขาใช้ความเพียรพยายามของเขาทําให้เราดีขึ้น ทำให้เราติดต่อกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นเหมือนอย่างรายที่ท่านเืออยู่นี่ทำให้เรามีสมาร์ทโฟนที่จะทำสิ่งดีๆเพียงครับเราผลิตเราทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้อดัมทำตอนที่อยู่ในสวนครับจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นมอบกับเราในความรับผิดชอบของเราเราจะต้องใช้นะครับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วเราถึงจะแน่ใจว่าเรานั้นได้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบัญชาให้กับอาดัมตอนเริ่มแรกสร้างโลกพระเจ้าอธิบายนะครับว่าอาหารมาจากไหนพี่น้องครับพระเจ้ามอบอาหาร ให้เรารับประานนะครับว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในฝนของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าน้องทับนี่คือสิ่งที่น่าคิดน่าไข้ควรเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ความรักของพระเจ้านั้นท่วมต้นเราทําให้เรามีสติปัญญาและโดยพระคุณความรักของพระเจ้านั่นเองทําให้เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีชีวิตที่ขยันขันแข็ง เพื่อหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตัวเราครอบครัวงเราแต่เพื่อที่จะมีเกินความพอเพียงในการให้ออกไปพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราได้ของเกินความพอเพียงเราและเราเก็บไว้เหมือนกับมานาครับเก็บไว้มันก็เน่าเก็บไว้มันเป็นพษิษเป็นภัยกับเจ้าของเพียงกับหลายลอย่างนั้นทำให้เมื่อเราเก็บไว้นานเกินไป ครับมันเป็นพิษเป็นภัยกับเจ้าของเก็บไว้มากเกินไปครับไม่ได้ใช้ประโยชน์แทนที่ให้คนอื่นใช้มันก็กลับกลายเป็นภาระที่เราต้องดูแลนย่างกับหลายลายคนมีบ้านมากเกินไปหล า, ลายคนมีที่ดินมากเกินไปหล า, ลายคนมีสิ่งต่างๆรอบตัวมากจนเกินไปจนกระทั่งเราต้องใช้วิธีการต่างๆของโลกเพื่อที่จะะดุงเพื่อที่จะเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ทาให้หล า, ลายคนนั้น ถูกความกังวลตามธรรมดาโลกนั้นผูกมัดเมือ่ออ่านพระวจนะไม่เค่อยเข้าใจนะครับเมื่อฟังเทศนาก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวและหลายสิ่งหลายอย่างนั้นทําให้เกิดความกังวลครับและทําให้ชีวิตของเรานั้นไม่ได้เข้าพบกับพระเจ้าเท่าที่ควรจะเป็นชีวิตของเรานั้นไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าที่ควรจะเป็นชีวิตของเรานั้นเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสให้ ศึกษาพระโอษนะของพระเจ้าให้ได้รับใช้พระเจ้าให้ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเจ้าแต่เรากลับไม่ได้ทําครับเพราะอะไรครับเพราะความกังวลตามธรรมดาลโลกนั้นบีบรัดผูกมัดและขัดขวางการเติบโตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณในชีวิตของเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเตือนสติเราทั้งหลายแด้วยพร ะ, ว, ญญญ ะ, ว, พระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยพระโอษนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสกลับใจใหม่ครับ พี่น้องลองพิจารณาชีวิตของเราเองในวันนี้ครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราจะถูกหรือลุดออกจากการผูกมัดสิ่งต่างที่เป็นน้ำที่คอยทิ้มแทงเราอยู่สิ่งต่างที่ขัดขวาง ก, การเรงเติบโตให้เราอยู่ขอพระเจ้ายกออกไปครับอาเมน